อารังสัมมาสัมบุทโทภากวาภากวันตังอาภิวาเดมิสวคาะโตภพกวตาธรมออมมะนัมสมมิ โซปะตปันโนผะกวโตชาวกสังโฆจางังนมามินโมตัสสะผะกวโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธัส namo t a t a g a t a w ต t h a t s a m s b u d d h a s a namo t a t a g a t a wato arhato samma s a m b u ุ d h a s a ตั้งโคปนันภากาวันตังเอวังกะเลยานโอิติสัตโตอะพกะโตเอติปิโสผากาอะระหังสมมาสัมุทโตวิชาจารนสัมปันโอสุกตโตโลปวิโด สารทิส an <c oughs> ัทเธวมนุสานังภะควะตมบุตวารหันตวรตาดิขณาพิยโตสุทธาพิญญาณารุณาหิสมมาคตโต บอเทสิโยสุจนะตังกมลังวสุโรตมรนองศิระสาชินนดังบดโทโยชาปปานินางสารนองเขมมุตตะมัง ปามานุสติทนางวันดามิตังชิเรนังบุตถาสหัสสมิดาโซวามุโตเมสามิกิสโรมุทโตดุขัสคาตาจาวิธาตาจหิตาสเม บุทธสั hang n เดมมสาริรันจีวิตันติดังวันดันโตห a งจาริสามีบุทรธัตเสวสุโบธิตังนาทิ สัจวัตเจนาวัตยังสัตวุสาสเนีมุทธังเมวันธรรมานีนายังปุญญปสุตังอิทาสับเบปิอันตารายามีมะเฮทรงตัสเตยสส ว่าฆาโตมภะกวตาธรมโอสันเดทหิโกอาตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปณยิโกปะจตังเวดิตโปวินโยหิเตม ว่าข้าตตานีคุนอยโยกวเสนาเสโยโยมาขปาขปาริยติวิโมขเภโดอโมกุโลกาปตะนาตตาตาริทารีวันดามหันตามหารังวรธรรมเมตัง บปามินางสารนองเทมมุตตะมังโนสติถานังวันดานิตังชิเรนังธรรมสาหสมิดาโซวันธรมโมเมสามิกิสโร ตามโมดุขสคาตจาวิธาตาจหิตาสเมตมัดสัมียาเดเมีสิริรันเทวิตันจิดังวันดันตหังจริสามิธมเสวสุธมตังนาทิเมสรนองอันยัง สระนองวารังเอเตนัสจาวเชนาวาเทยังสัตตุสาสเนธรรมมีวันธมีนางัญญุญญาปัุตังอิท่ยันตรยามีมาเฮงตัสเตยสา สปัิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆโยชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆเยาาปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีติปติปันโนภาควาโตสาสังโฆญารจตาเปุริสายุปานิยถาปุริสัุคลเอสาภควโตสาสังอหนโย นาโยสัลีตะราโยอนุตตรังคุณญาติตังโลกัสสติมสัทธัมมโยสุปัตติปาติคุณอหิุยโตโยธาพิโทอริยภุคลาสังคเสโท สิลาดิธรมมปวราสายกายกิตตวันดามหางังตมาริยนานะคะนองสุดสุดทางสังคอยโยสัพ ป, ปานินางสารนองเข้มมุตตมังตาดิยานุสัติทอนางวันดามิตังสิเรนหัง โสมิสัมิกิสโรสร้างขดุคาสคาตาจวิธาตาจัิตาสเมสร้างขัดสร้างนิยาเดมีสาริรันคิวิตันจิดังวันดันตุหังจริสามมิสร้างขาดโสปฏิปันนตัง นาทิเมสารนองอัญยางสร้างโคเมสารนองวรังเอเตนัสัจวัชนาวัทยังสัตตุชาสนีสร้างขงังเมวันทมาเนน า, างยังกุญญังปัสสุตังอิทะ สัพเพปิอันตารายามีมาเฮสุงตัสะเตยัสสั ช่างดูพัดลมเนาะฮะนี่เดช่างใหญ่ดูพัดลมไม่เป็นนะ <c oughs> <c oughs> ยมยาปเจเวขิตวายังเจวรังปริพุตังตังยาวเดวสิตัสสะปฏิคาตายะอุหัสสะปฏิคาตายะดงสมกสวาตตปะชิงสักสัมผัสานังปฏิคาตายะยาวเดวะ กบินาปฏิชาดนัฏฐานได้จะไม่ยาปเจวิคตวายโยปินาปโตปริพุโตโสเนวดวายนามาดาญามันดนายานเวโพสนายะ ยาวเดวายมาสกายาสติทิยายาปนาญาวิงสุภรัติญาปรมจริยานุกหายะเอติภุรานนจเวดานังปฏิหังฆามีนาวันจะเดานังเดสามี จะเมภวิสติยนาวัจตาจะพาสุวิหโรจติวายังเสนาสนังปริภูตังตังยาวเดวสิตัสสะปฏิคาตายโอนหาสะปฏิคาตาย ดังสมกสวาทตาปะเสริงสบสัมปานังปฏิคาตยะยาวเดวะอุตุปริศยวินโนดังปฏิสัลานรามัทงอาจามยาปเจวคิตวาโยกิานปัจเจาเพศจัปปริคารโอปริพุโต โสยวะเดวะอุปันันตเวยาบาธิกานเวตนางปฏิขตายาอัพพยยาปชะปรมตาย t าติมยราธมมหิยรางนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะากล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ วายาทิธรรมโมมีวายาทิงานาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ <c oughs> นาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ จาเบหิเมพิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวคือว่าจะจากของรักของเจริญใจทางสิ้นไปกรรมสมาคมหิกรรมดาญาโดกรรมโยนิกรมมบันท oui> ุกรมมปฏิสารโน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 เราจะทำกรรมอันใดไว้ <c oughs> เราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภพินหังปะเจวคิตต บ, บังเราทั้งหลายควรพิจารณา อ, อย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด นยังโคเมกาโยมกายของเรานี่แหละอุดทางป่าตะลาเมื่อบนแต่พื้นท้าขึ้นมาอธโทเกสามาตาการไฟผมลงไปตายจะปริยันตอมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอก ปุโรณานัปการ า, าสุขโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมั ส, สมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกษาคือผมทั้งหลาย <c oughs> คือขนทั้งลายน้าขาคือเล็บทั้งลายนันตาคือฟันทั้งลายตะโ จ, จคือหนังมังสางคือเนื้อนาหารุคือเอ็นทั้งลาย ในกระดูก <c oughs> <c oughs> หากได้ยางหัวใจยากะนังตับกิโลมากางพังผืดพีหากังางไตป่าพาสังปอดใส้ใหญ่อันตาคูน่น้องไซน้อย <c oughs> <c oughs> อาหารเก่ามัตาเกามัตาลุงขังเยื่อในสมองศรีรษะผิดตั้งน้ำดีเสมห่างน้ำเสดผุกโบน้ำเลือดรอยตังน้ำเลือดเสดโดนน้ำเลือเมโดน้ำมันค้นอาจสุนําตาวาสาน้ำมันเลว เทโลนำลาลสิงคานิการนามโมลาชิกาน้ำไข่็ุ้ทธางนาโมุเอวามัยังเมกายโยกายของเรานี้อย่างนี้เพื่อบนแต่พื้นท้าขึ้นมาอโอเสัมธัตตา เบืองตามแต่ปลายผมลงไปได้จากปริยันตตัมีหนันองอยู่เป็นที่สุดรากบุโร น, นัน ป, ปาการัาสุจิโนเอ็มไปด้วยขอไม่ขาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลหังสุขิตโตมี โฮมิอาเวโรหฮมิมะียาปสุโมิอานิโคหฮมสุขีอัตนางปริหารามิสัพเพสัตสุขิตาหนตสัพเพสัตอาเวราหนต สัพเปสัตตาปิยาปัชาหนโตสัพเปสัตตาอนิฆาหนโตสัพเปสัตตาสุขิอัตานังปริหารนโตสัพเปสัตตาสบะุดฆาปามุจจันโตสัพเปสัตตาลทตาสัมปติโตมาวิกขชันโต สัพเปสัตตา m ัมมสักกั a มาดายาดะคัมมาโยนิค i มม t ปฏิจเรณองยังกัมมังกฤษันตินองวาปะปังวาตัสดายาดาปวิษันติ สบเบสัตตาสัต ด, ดานตุอาเวราสุภชีวิวโนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธอิดกาตางปุญญาภาลังไม่ห่งางเวันตุเต ขอให้สัตว์ทั้งหลาย <c oughs> ที่ข่าป่อยเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกวายว่าใจใจแล้วนั้นเธินอิมินาผุญญกรรมมนาอบปัชชายาโคโนตตาาอาจาริยุปาการาจาอามาตาปิตาใจยาตากา <c oughs> รามามะราจะอินทาจะอโลกะปาลาจะเดวตายะโมมิตามนุสสจะมะจัตาเริกาปิจาสาเบสตะาสุขิฮอนโตปุญญานิปกาตานิเม ดูข้างจา่าเตวิทางเทนตูคิ ป, ปังปาเปตโวมตังอิมินาปุญญกามเมนาอิมินาอุดิเซนาจากิป็บป่างสุลเพเจวาตานุปป า, านาเชตนาง เยสันตาเนีินาธัมมายาวานิปานะโตมะมังนาสันตุสาปดาเยวายาติจัตโตภเวภเวสติปัญญาสันเลโกริยมินา มาราลาพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริยสุเมบุตรธาดิภาวรนาทโธธมโมนาทโววรสตโมนาทโัตเกกัปุทโาสังโฆนาโธตระโมังเทโสตมาณุภาเวนา มารกะสังลภันตุมังุธิส่วนบุญไปให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายมีบิดามารดาผูญยา่าตายายสับปะสัตวทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายพิเศษสำหรับพระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมประราชนีนา ที่จะส่งไปชวนอยู่ด้วยให้ท่านมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์หายโรคหายภายัยหายไขย้หายเจ็บนะเป็นร่มโพร่มใสของเราตลอดไป ต่อไปเราจะสวดธรรมจักรจบธรรมจักรเสร็จแล้วจะพานั่งภาวนาไปก่อนถ้าเิมีเวลาพอเราค่อยสวยดอนั้มีเวลาพอเราคอยค่อยสวยดอาทิตย์แล้วก็มีเวลาพอเราค็อยจะพาสวด อ, อ, อาการ32แปล แปลอีกรูปแบบหนึ่งเราเห็นอยู่ในหนังสือเล่มนี้เขาแปลดีมากเลยนะเนี่ยนี่คแปลนี้เราเคยได้ยินหลวงปู่พูนมาว่าเออหลวงปู่ไปจามาจากไหนเนาะนี่เรามาเปิดมานมาเห็นอยู่ในหนังสือเล่มนี้นอธิมาสมิงกายเยมีอยู่ในกายเป็นที่ประชุมของนาเกียดนี้เกษคือผมทั้งหลายที่งอกอยู่ตามศีรษะ ทั้งสีดำบ้างขาวบ้างท่านขยายความไปโลมาขนทั้งหลายที่งอกอยู่ตามขุมขนทั่วกายเว้นแต่ฝ่ามือและฝ่าเท้ามีสีสีมิได้ดำดาหนักดำนักขาวนักดำหนั ก, นกขาวหนักเนี่ยอยู่หน้าเนี่ยอยู่หน้าหนึ่งสองแปดเนี่ย หนังสือใหม่นะหนังสือเล่มใหญ่นะหน้าขาคือเล็บทั้งหลายที่งอกอยู่ตามปลายมือปลายเท้ามีวั น, นะอันขาวทันตาคือฟันทั้งหลายที่งอกอยู่ตามกระดูครางกระดูคางข้างบนและข้างล่างสำหรับบดเคี้ยวอาหารชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายเป็นนิน้นี่ทันไล่ไปเรื่อยเรื่อย รู้สึกว่าขยายขยายคําแปลมันเป็นการอธิบายให้เราเห็นภาพพจ ด, ด้วยอตอนนี้เราเปิดมาที่ธรรมจักรก่อนตอนนี้ห้าสองห้าสองธรรมจักรห้าสอง ไยินเสียงมาแล้วหรอมีรถมาแล้วมาได้ยินแต่เครื่อง <c oughs> อ่าดูนะดูนะเปิดสวดนะหันมะยังธรรมจักรับวัตนะสุตังภาโนอมะเสมเอกังสมัยังภากรา บาระราสิยังวิหาเติเอเสปตเนมิขาดเยตัตราข้อผัาปัญจวัคคียเยภิกขุอามันเตเสโดยเมภิกขเวอันตาปปปจิเตนนัสเสวิตาบา โยยชายังกามสุกามสุขันติกานุโยกอโนกามอปุจจานิโกอนาริโยอนัตถสัญ itto โลโกอนาริโยอนัตถสัญ itto เอเตเตภิกขเวอโขอันเตอโนปะามะมัตชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะภิสมบทธาญปุปรณุญานกรณีุปัสสมัยญาปิญญาญาสมบูธาญา n i b a n a าสังวัตเ กาตมาจ่าสาภิกเวมัชิมาปฏิปดาตถาคเตนะอภิสัมบุตธายาโคกรณีญนากรณีอุปสมะยาภิญญาญาสัมบุธาญาณิปานยาสังวัตตินัยยเมวารโยอทังกิโกมะโก เชียร์ที่ดังสัมมานิธิสมาสังกโปสัมมาวาจาสมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิายังข้อซาภิคะเวมัชิมาปฏิปดาตถาคเตินาอปิสัมบุตธา ยาขุปรณียาณ์กรณีิอุปัสมายาอาปิญญาญาสัมบฏายา nibbana ญาสังวัตติเอทดังโคปนาคิขเวดุขังอริยสัจจังยติปิโดขะจาราเตปิโดขะมารณอมปิโดขัง โสกาปริเดวะดุคคาโดมะนัสุปายาสปิดุคคาอาปิเยหิสัมปโยโกดุโคปิเยหิวิปโยโกดุโคยัมปิดชังนัลปาติตามปิดดุคังสร้างคิเตนะปัญจปาดานะขันธาดุคคา เอแังข้อปณะภิกเวดุขสมุไดโยอริยสัจจังย่ายังตันห้าโปโนภวิกานันดิราคาสหกตาตาตราตาตราปินดินีเสียที่ดังกามตันห้าภวตันห้าวิภวตันห้า อ e ีดังเข้าปณะภิกขเวดุขานิโรธโออริยสัจจังโยตัตสาเยวะตันหายาเซสาวิรากานิโรธโธจโกปติน <mel> ิสักรมุติอนาลโยสกามิเนปฏิปดาอาริยสัจจัง อายะเมวะอริโยอะท่องกิโกมะโกเชยะที่ดังสัมมาณิธิสัมมาสังกโปสัมมาวายาสัมมากรรมันโตสัมมาอาจิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ เยดังดุขังอริยสัจจันติเมผิกาเวปกเบอนานุสเตโสทัมเมโสยากุงอุดาปาดิโานงอุดาปาดิปัญญาอุดาปาดิวิทญาอุดาปาดิอาโลโกอุดาปาดิ ดังโ้ปณิดังดูขังอริยะสัจจังปริญญาญาติเมภิกขเวปกเบอนาโนตโสเตสุธรมเมโสจาขงอุดป า, า, านิญานางอุป า, าปัญญานอุดปานวิเวชนาอุดปาาันอาโลโก อ, อุดาปัน ตางโ้ปณิดังดุขังอริยสัจอยงปริญญาตานันจิเมผิเขเวภูเบอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจากออุโคุณาปาดิญญาณุณาปาดิปัญญาอุณาปาดิวิจจาุณาปาดิอาโลโกอุณาปาดิ อีด <S ess> ังด <ess> ุขะสมุปไดโยอริยสัจจันติเมผีคะเวปกเบอานนุสโสตเโสุธรรมเมสจักคงอุดาปาดิยานงอุดาปาดิปัญญาอุดาปาดิวิจญาอุดาปาดิอาโลโกอุดาปาดิ อริยสัจจังปะฮาตัปปันกิเมภิกขเวปกเบอานนุสสตสุธัมเมสุจากขุงุณาดิญานังุปาดิปัญญาุณาปิเวทจากุณาปิอาโลโกุณาปิ ตังข้อปณิดางดุคาสมุดไดโยอริยสัจจัญพหีนันติเมภิเควภเบอนาโนตโตเตสทมัมเมโสจาคออุณหปาดิยานุหปาดิปัญญาหปาดิวิชารหปาดิอาโลโคหปาดิ อดานุขะนิโรธอริยะสัจจันจิเมภิกขเวปุกเบอา น, านุสุเตสุธรมเมโสญาคุงอุณาปิยานอังอุณาปาิปัญญาอุณาปาิวิชชาอุณาปิอาโลโกอุณาปิ ต่างข้อปณิดังดุขนิโรธโอริยสัจจังสัจจิกาต บ, บันทิเมภิกเวปุกเบอนานุสุเตสุธรมเมสุนิยานังอุปปาณิปัญญาอุปปาณิเวจญาอุปปาณิอาโลโก อ, อุปปาณิ ต่างโคอปณิดางดุขานิโรธโออริยสัจจังสัจจิกาะตันจิเมภิกขเวปกเบอนนุสุตเตสุธรรมเสสุที <c oughs> าา่ยานังอุดปาเดวิตอุดปาเดวิตยาอุดป า, าดิอาโลกโกอุดป า, าดี อิดังดุคาเนโรทากามินีปฏิปดาอริยสัจจันติเมภิกขเวปกเ บ, บอนานุนสุเตสุธรมเมสุจากคงอุดาปนิยานังอุดาปนิปัญญาอุดาปนิวิชารุอุดาปนิอาโลโกอุดาปนิ ต่างข้ปณิดังดุขนิโรธกามินีปฏิปดาอริยสัจจังภาปกเบอนานนตสุเตสุธรมเมสุจากคงอุดปานิยานังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปานิอาโลโกอุดปาฏิ ต่างข้อปณิดังโลกะนี้ภะคามิเนปฏิปัดาอริยะสัจจงพาวิตันจิเมภิกเวจักคงอุดปานิยานังอุดปานิปัญญาอุาดปานิเวชาอุาดปานิอาโลกคอุดปาณิ ยาวากิวัญจะเมพิกเวอิเมสุจาตุโสอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังวดสาการยาทาพูตังยอนัดัสนังนาสุวิสุทังอโหสิเนวตาวังพิกเวสเดวเกโลเกสมาาเกสับรามเก ซาสัมมาปรมิยาปัจจายาสเดวมนุสสายะอานุตตรังสัมมาสัมปวิงอภิสัมบุตโหปัญจญญาเซิงยาโตจะกขเมผิกเวอิเมสุจัตโตสุอริยสัจเจโส เอวันต e ิปริวัตตังดวาดสักการะทาพุตังยนัดสนาสุวิสุทังหสิสะเวะเกโลเกสมารเกสบรามเกสสมนะบรมณียาปัจายะสะเดวมนุษายะ อนุตรังสัมมาสัมโถีิงอภิสัมวัตทปาจัญญาเสงยานานจปนามิดัสนังอุดปาเดอากุปปาเมวิมุตเตอายะมันติมาชาเินาเิดานิปกนภะวติอิมาโวจพะกะวา อาจะมานาปัญจวัคคียาภิโคภะควะโตภาสิตังอาภินันตุมิมัสเมิงจะปะนาหิยากขันตสเมิงพันญมาเนิเ อ, อายะสมะโตะคนดัญญาสาวีไรจังวีตมมลังธรรมจักคุงอุปาเะณ ย่างเกณฑเจสมุดยะธรรมสับบันตังนิโรธาธรรมันติปาวัตติเตจภาคาวตาธรรมจักเกหูมมาเดวาสัตถมนุษย์สาเวสสงเอตัมภาคาวตาบารณนาสียังอิสิปันเนมิคาเย อนุตตรังธรรมะจากกลางกวัตติตังอภิวัตติยังสมเนนาวะพระมเนนาวะเดเวนาวามารนาวาพระมุนาวาเกนะจีวาโลกัดมินติุมมานางเดวานางสัตดังสุตวา 迦ตุมหราชิกาเดวาสัตถ์มนุษย์สาวเสง สมนุษะเวสงุงยาม า, างเดว า, า, ง, สดางสัตดังสุตโตวาหุจิตาเดวาสัตดัชนุษะเวสงุงตุสิต า, างเดว า, า, ง, สดางสัตดังสุตโตวานียมาราติเดวาสัตดัชนุษะเวสงุง นิมมานะทีนางเดวานังสัตดังสุตตวาปารานิมิตวสสวาตีเดวาสัตต์มนุษสาเวเองปารานิมิตวสวาตีนางเดวานังสัตดังสุตตวารามมกายาเดวาสัตด์มนุษย์สาเวเอง เอตัมภะกวตาบาราณสิยังสิปตะเนมิขดายานุตรงธรรมะจักกังปวติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาบรัมเนนวาเดเวนวามาเรนวาบรัมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินเต อติหะเตนะคันเนนะเตนะโมหุเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตอภปุคาจีจะดะสัสหาสีโลกธาตุสร้างกรมปิสัมภะกรมปิสัมภเวทิอภปมานจักโฬารโอภาโสโลเกปตุระโหสิ อาชิกมามีวะเดวานังเดวานุภาวังอาทะโคภะคะวะอุดานังอุดานิสีอา a าสีวะตะโพ n นันโย อ, อย า, าอ ย, ออยาสีวะตะโพกนันโยติเอติหิดังอายะสัมมาโตคนทนานญาติ อาญากอนทานโยตเววนามังหาโฮสิติมอาอ น, นัดอีกอั น, นัดสันส้นๆอั น, นัดหันมะยังอันัดตะลักขันอสุตังพโนามะเซม เอกาสมาญาปควะเอนราณสยังวิหารเตเอเสกตะเนมิกระา อายะสังวัตตาตินาจลรพัติรูปเเอวังเมรุปังโหตุเอวังเมรุปังมาโหสิเตเวเดนานัตตาเวเดนาจะหิดังทิขเวอตาภาวิสสะนายิดังเวเดนาบาทยาสังวัตเตีย ลาเภทจะเวดนายะเอวังเมเวดนาโหตุเอวังเมเวดนามาโหสิเตญยติสมะจะโคผิกเวเวดนาอนัตตาตาสมะเวดนาอาบาทายสังวตตินาจะลับปติเวดนายะ ดังพิขเวอาตาพาวิษสานาเยดังสัญญาอาบาทายาสงวัตติยะลาเพทาจาสญญาาัสัญญาญาเอวังเีสัญญาโหอตูเอวังเีสัญญามาหอสิเิยาสมาจัคโคพิขเวสัญญาอนตา ตัดสมาสัญญาบาไทายาสังวตติเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสสติสังขาราอน ต, ตาสังขาราหจดังพิขเวอตาภาวิตสังสุ นายดังสังขาราบ า, า, ยยาทยาสังวัตยุงลาเพทะจัสังขารโสเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนเตยัดสมาจะโคพิกเวสังขารานัตตา ตัตสัมมาสังฆาราอาบาทาญาสังวัดตันตินาจารปติสั่งฆาเรโสเอวังเมสั่งฆาราหนตุเอวังเมสังฆ า, า, ารามาเฮสุนติเวิยนญาณ า, า, านตาเวิยนญาณัญจะหีดังพิกเวอตาภาวิสัช นายยดังวิญญาณังอาบาทายาสังวตัตเตยะลาเพทจาวิญญาเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหเสตยัสมาจะกโคภิกขเววิญญาณังอนัตตา ตาสมาวิญญาณังอาบาทาญาสังวัตติเตนาจลภาติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาาโหสิเตต่างกิ่งมัญญาธาภิกขเวรุกวางนิตจังวาอนิตจังวาเตอานิตจังพันเต ข้างว่าตังสุข้างวา่าเตทุกข้างพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังการลางโนตังมโนปัสสิตุงหมามัสมิเอโซมิอัตตาเตนโนเหตังพันเต ตาังจิงมัญญาธาภิกเวเวェดนานิจจาวะณิจจาวาเีอาณิจจาวัาา น, านเตยามปนานิจังดุขั้งวาตังสุขั้งวาเตดุขั้งพันเตยามปนานิจังดุขั้งวิปรินามะธรรมังการลังโุตังสะมานุปัสสิตุง เอตังมะมาเอโสหามาสมิเอโสเมอาตาตตโนเฮตังพันเตจางกิงมัญยตาภิกเวสัญญาณิจาวะอนิจาวาเีอนิจาวพันเตยามปานานิจังดุขังวาตังสุขังวาตตดุขังพันเต ยามปนานิจังดุขังวิปรินามะธรรมังการลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสมอัตาตอโนเฮตังพันเตตางจิงมัญญาถาภิกขเวสังคารานิจาวอนิจาวาตเ อนิจจพันเตยามปันานิจจดุข้างวาตังสุข้างวาตตดุข้างพันเตยามปันานิจจดุข้างวิปรินามะธรรมังการลังนุตังสมนุปปัสสิตุงเอตังมมเอโสหามัสสิเอโสเมอตตาเต โนเฮตังพันเตตางกิมัญญาธาพิกเววิญญาณานิจังวาอนิจจังวาติอนิจังพันเตยามปนานิจังดุขั้งวาตังสุขั้งวาติดุขั้งพันเตยามปนานิจังดุขั้งวิปรินามะธรรมัง การลังนุตังสมนุปจัจเจตุงเอตังมัมมะเอโสหมามัสมิเอโสมิอาต า, าติโนเฮตังพันเตยังเกงฑ์เจิรูปังอาทิตานาคาตาปัจจุปนังอาจัตังวาบหิทตาวา โอลาริกังวาสุกุมังวะนินังวาปณิตังวายานดูเรสันติเกวาสับบางรูปังเนสโธหามัสสิณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัทาพุตงสัมมปัญญายาดัตถบัง ยากาจิเวดนาอาทิตนาคตปัจจุปนาอาชาตาวาหิตาวาโอฬาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณีตาวายาดูเรสันติเกวาวาสับบาเวดนา เนตังมะมะเนโซหามาสมินะเมโซอาตาติเอวะเมตังยะธาภูตางสัมปัญญายาดัตตบังยากาจิสัญญาติตานาคตปัจจุปันาอาชาตตาวาบหิตาวาโอลาริกาวาสุขุมาวา นินาวาปนิตาวาสันติเกวะสัพบาสัญญาเนตังมะมะเนโซหามาสมีนาเมโซอาตาเตเอวะเมตังยาธาภูตังสัมมัปปัญญายาดัตตัง สังขาราตีตานาคตาปัจจุปนาอาชาตาวาบัิจาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณีตาวาเยดูเรสันติเกีวาสาเบสังขารา เนตังมะมะเนโซหะมะสเมนะเมโซอาตาติเอวะเมตังยาาภูตังสัมมปัญญายาดัตบังญาณเกณฑิเวญญานางอาทิานาคตปจุปนังอาชาตัวาบหิตทาวาโอลาริกัวาสุขุมังวา นิลองวาปณีตังวายาณดูเรสันติกเกวสบบาบังวิญญาณังเนตังมามะเนโสหามาสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะาภูตังสัมมปัญญาญนัตถับบงเอวังปัตสังเพขเวสุตวาอรยาิยสาวโก รูปสัมิงป็เนบินตัติเวดนายาเป็นเนบินตัติเนบินตัติสังขารโสป็เนบินตัติวียญาณสัมิงป็เนบินตัติเนบินดังวิรัติจัติวิรากาเวมุจจติ เวหมตัสเมงเวหมตามิติญาณโหติขีนาจารติวุสิตังบรามาจริยังกัตางการณียังนปบรังอิทัตตาญาติปะจานาติเตเิอดะมวจพะกวา อาตามนนะมนาปัญจวัคคียาภิคูภควะโตภาสิตังอาภินันดุงเอมัตสเมินจัปปนาวิยกากรณัตสเมิยงพันญามานเนปัญจวัคคียานางภิคูนางอนุปาายะอาสเสวิจิตานีเวหมดจิงโสติ อันแซบๆซบอธิตฐานปัฏายาสูตรโอเคนี่ก่อน